ฟังทำกันเนาะเป็นส่วนประกอบการปฏิบัติธรรมที่เรากำลังพากันทำอยู่ในขณะ น, นี้เรามาฝึกสติกันเหมือนกับค่ายฝึกกีฬาอันหนึ่งกีฬาของชีวิตอันหนึ่ง สติต้องหลงสนามคือกายคือใจจะได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจสติต้องรู้โลกทุกกรณีในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราจะต้องฝึกซ่อมอาไว้ถ้าไม่ฝึกซ่อมมันไม่ทันทำอะไรไม่ได้ เหมือนอรอปอพอรหรือผูรอ้รักษาความปลอดภยัยต้องอยู่ในอ้อมปาการอยู่เสมอเพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่รู้อะไรเกิดขึ้นไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยทำไม่เกิดการเสียหายก็ประกาศข้าม หรือบอกอย่างนี้ก็อาจจะหยุดโทษหยุดไปได้สติก็มีหน้ารอบทุกกรดีอคชัยสิธีบอกของสติคือไม่เหมือนอาวุธไม่เหมือนปืนไม่เหมือนยอม เหมือนกำพูดเวยียงแต่รู้สึกตัวแล้วกลับมากับสนามที่เราปึกแต่ค่าก็บอกว่าเราไม่ต้อนรับไม่สนใจไม่ใ้ค่าไม่มีที่ให้จริงที่จรมาอาศัยเราก็ยืดอยู่แล้วเหมือนเก้าอี้ใบเดียวดูเลยกายดูเลยใจอยู่เสมอ เนั่งอยู่แล้วที่กายแล้วนั่งอยู่แล้วที่ใจอะไรก็เข้ามาเราแสดงความเป็เจ้าของก็บอดภัยได้ความหลงก็คือความรู้ความสุขความทุกข์เป็ความรู้เกิจากกายเคิจากใจอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้ก็รู้ที ให้ลู่ลอกให้ลู่ลอกให้ลอกลู้นี่เรีว่าสติเป็นหน้าลอกอยู่เสมอจนเขนมีจำนานทันต่อเวลาทันทีไหวไม่เนิ่นช้าเพื่อเท่าไหรก็ไหวเท่านั้นเมื่อสติจำนี้จำนานกับ กายกับใจก็จะได้ถือว่าเป็นอันเดียวไปเลยชีวิตต้งชีวิตมีแต่จิตไม่เหมือนวัตถุจริงของภายยนกผู้คนรักษาสติก็คือกายคือใจ แต่ก่อนเราเดินโยงกลมเราก็ไม่ค่อยรู้เราเคลื่อนไหวเราไม่รู้วอลเราฝึกไปฝึกไปม่แต่เพาว่าที่รู้ปพราะว่าที่รู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้ก็กลายเป็นสติเป็นเจ้าของสติเป็นผู้มีอำนาจสติเป็นผู้ให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นต่อกายต่อใจ เมื่อกายไดรับความเป็นธรรมแล้วก็มันก็พอดีเป็นธรรมชาติสูธ่ธรรมชาติความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกายของจายเกิดขึ้นรับความชั่วทำความดีจิตบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วกลายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปเมื่อมีศีลมีสมาธิมีปัญญา ก็รักษากายรักษาใจได้เลยศีลก็รักษากายศีลก็รักษาจิตใจมีกำลังเกิดขึ้นมีระเบียบเรียบร้อยไม่ลุงลังแม่นว่ามีจิเลศพันห้าตันหาร้อยแปดเมื่อมีสติเป็นผู้ดูแลก็ บริสุทหมดจดต่อเครื่องสมองจิตเหล่านี้มีโลกมีโกรธม่หลงเป็นต้นหมดไปเองวิธีเหมืนสะอาดหมดจดต่อเครื่องสมองเมื่อกายสัมผัสกับความสะอาดเราได้ใส่เสื้อผ้าซักใหม่ๆได้นุ่งนอนนุ่งนั่งได้นุ่งไปไหนมาไหนก็สู้สึก สัมผัดความสะอาดจิตใจเมื่อสัมผัสความสะอาดมีศินรักษามีสมาธิรักษามีปัญญารักษาก็บริสุทธิ์หมดจดเป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็ต่างเก่าพ้นเพราะว่าเดิมไม่ชีวิตจิตใจก็เปลี่ยนไปถ้าเราฝึกมันเปลี่ยนไปได้ จะให้เป็นหลงเหมือนเมื่อก่อนมันก็หลงไม่ได้อจะให้ไปทุกข์เหมือนเมื่อก่อนเป็นทุกข์ไม่ได้จะให้ไปวิถุ ก, กังวลเท่าหมองเป็นถุกเป็นทุกข์ความคิดมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ถูกต้องมันเป็นไปนอย่างนี้การฝึกจิตเนี่ยไม่ใช่ไปคิดเอามันเป็นทำให้มันเป็นไม่ใช่รู้ทำไม่เป็น ว่าเราหัดไว้ก็ทําเป็นพอมันหลงก็รู้เนี่ยพอมันสุกกัรู้พอมันทุกก็รู้อะไรเกิดขึ้นมากับกวากับใจก็รู้ความรู้ที่มันเป็นแล้วมันก็เป็นไปเองไม่ได้ลำดับเหมือนคนขบับรถไม่ได้ลำดับไม่ได้ยิด โอกาสที่มันเกิดจกเจริญก็มันก็เบรกไปเองหยุดไปเองเดี่ยวไปเองหลบไปเองมันเปน็นนักกินลา่านักมวยที่เขาหัดเรียนครูมวย ก, ก, ก็รู้จดหลกรู้จดเดีกรู้จักยิงรู้จักโต้ตอบเป็นไปเอง อะไรมาผิดก็เปลี่ยนเป็นถูกเปลี่ยนเป็นไม่ผิดได้นีเรียกว่าความผิดเกิดขึ้นได้ความถูกมาได้ความถูกต้องจากความผิดได้ความทุกได้ความไม่ทุกจากความทุกได้ความไม่ผิดจากความผิดเป็นบทเรียนที่มีคุณมีค่าว่ามันต่างกันอยู่ เหมือนบ้านเรือนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีกระยอมีอะไรเพราะไม่มีใครรักษาแล้วก็เห็นมันไม่เป็นระเบียบก็เจ็บเจ็บโดยเฉพาะเรื่องกายเรื่องใจแม้มีความเกลียดความโลภความหลงกิเลดตัณห า, า, ามมหลักะโมตโตสาโมหะ แล้วก็มีที่เจ็บเหมือนกันความสุขก็เจ็บความทุกข์ก็เจ็บเจ็บลงแน่ตั้งขายอตั้งขายอในสิ่งของเจ็บของสบบกศพเศษของเลื่อเทือกบ่ไม่เที่ยง ความสุขควาไม่เที่ยงความทุกข์ควไม่เที่ยงความรักความชั่งก็ไม่เที่ยงความโกรธโลกหลงไม่เที่ยงก็รู้จักจ อ, อย่างนี้ไม่เกี่ยวเสีเกี่ยวข้องกับสิงที่ไม่เที่ยงแค่ไหนเพียงลอยเป็นไรเบียบแล้วอะไรเกิดขึ้นตกอยู่ในความไม่เที่ยงเท่า น, านั้นเป็นที่เจ็บขยะ อ, อันหนึ่งว่าใจรักเนี่ย ควา ม, มเที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเป็สังขยาเก็บขยะในชีวิตที่เหมือนเกิดจากกายจากใจอย่างมีระเบียบจนไม่มีอะไรเหลือมาลงที่ตรงนี้ทั้งหมดมีที่เก็บอย่างงดงามให้เหมือนขยะในบ้านในเรือนเราต้องเอาไปทิ้งไปเผาไป ทำลายไปแยกไปแย่ไปย่อยแต่เพ่อว่าควมไม่เที่ยงควาเป็นควมเป็นทุกข์ควมไม่ใช่ตัวตนเนี่มันเป็นธรรมชาติสู่ธรรมชาติมีแต่ธรรมชาติตั้งอยู่ใ่ธรรมชาติเกิดขึ้นมนแต่ธรรมชาติเท่า น, นั้นลงอยู่นี่ทั้งหมดเก็บทุกข์ครั้งทุกคราว ชีวิตของเราไม่มีที่เก็บใครเรียบร้อยตลอดเวลาไม่กระจุยกระจายอย่างมีระเบียบแต่ว่ามีสมมติบัญญัติคำพูดคำจาว่ามีเรือมีวัตถุจริงของเป็นสมมติบัญญัติไม่ใช่ประมัทสัจจะสมมติใช้การสมมติพูดการสมมติ มัญญัติที่ให้เราใช้ตามตัวบทกฎหมายก็ว่าได้เราก็เกี่ยวข้องกับเชื้อไหนเพียงลายเพราะเรามีที่เก็บไม่เลเอะเทอะแต่ก่อนเราไม่มีที่เก็บเป็นขยะเต็มชีวิตไปทั้งหมดเลยความลักความฉางความโศกความทุกโกรธโลกหลง เป็นขยานหัวใจ10ปี5ปีผ่านมาแล้วก็ยังเป็นขยะอยู่ยังมีรอยรอยลักรอยแค้นรอยโกดรอยทุกข์อยปิดรอยถูกเป็นเอามาให้ถวงเก็บปวดบางครั้งเราไม่รู้บางทั้งที่มันไม่เที่ยงถ้าเราเห็น ทางขยะเห็นไตลักจริงๆนะมันไม่เป็นเช่นนั้นมันแล้วไปแล้วมันแล้วไปแล้วลงลงที่แล้วชูธรรมชาติแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันที่มันบริสุทธิ์อยู่เสมอนอกจากนี้ก็มีที่เก็บอี ก, กนหนึ่งคือ ชีวิติีเมนเก็บเรียบร้อย เ, เวลาไม่ได้ช่เวลาจะนอนมีที่เจ็บที่เจ็บเวลานอนก็คือธาตุดินก็ตรงเป็นดินน้าเป็นน้าลมเป็นลมไฟเป็นไฟเอาไว้ที่ธรรมาชาติ ดินก็ย่อมไปทำลายดินมาจากที่ใดก็เป็นดินเหมือนกันหมดไฟก็ต้องเป็นไฟมาจากไหนคือเป็นไฟทั้งหมดลมก็คือลมมาจากไหนเป็นลมทั้งหมดน้ำ ม, มาจากไห น, าา ก, ไหนก็เป็นน้ำไปทั้งหมดเข้ากันได้อันนี้ที่เก็บเมื่อไหร่ไปใช้สูธ่ธรรมชาติทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือชีวิตตรงเป็นอย่างนี้ ผู้ปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมไม่เลอะเทอะไม่ปเปิดเปื้อนไม่ใีเลยไม่เจกะแต่ถ้าบางที่เก็บก็พุ่งซ้อนมากตอนนอนเนี่ยหวานพุ่งซ้อนคิดโน่นคิดนี้เอาเป็นสุขก็เป็นทุกข์เวลานอนอาจจะเป็นทุกข์มากก็ได้ทั้งทั้งนี้ไม่ทําอะไรก็มีขยอย ไม่รู้จะเก็บตั้งแต่ที่ความทุกข์มันก็มาใช้ตัวตนชีวิตต้องเก็บเป็นระเบียบอย่างนี้จริงๆนะวิธีเราฝึกติเนี่มันมันมีอรนนสงส์งมากเราไม่กายไม่ใจมีรูปไม่นามเนี่ยมันมีประโยชน์มันเป็นมรรคเป็นผลมันดับไม่เหลือ ไม่มีอะไรเหลือวันจึงเป็นคุ้มค่าที่เราได้เกิดมาเนี่ยเห็นบุญเห็นคุณของบิดามารดาให้กำเนิดเราเกิดมาเราได้ปฏิบัติตัวอย่างนี้ได้ประโยชน์อย่างนี้เห็นบุญเห็นคุณของศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้ายิ่งเราก็ได้ชฉลยวทุกวันเนมันลึกซึ้งมากอีวิตลึกซึ้งมาก ทำไมไปทุกข์เราทำไมไปโกรธไปหลงไปรักไปชังไปเบียดเบียนกันเราจุงที่มันทํามันไม่ถูกต้องเราจึะมาเปลี่ยนมันดูมาหัดดูจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสันติภาพแม้จะเรื่องสมมุติโกมันถกมันเถียงกันเพียงแต่เพียงสมมติบัญญัติไม่ใช่ประมาจั จ, จะ ความคิดเห็นก็เห็นต่างกันแตไม่ไม่ใช่สติเป็นผู้ให้กำเนิดเช่นความเห็นชอบเป็นทิจรีของการเรนชีวิตเมื่อมันถูกด้ความชอบเกิดขึ้นความเห็นชอบเกิดขึ้นมาถูกไปอีกหลายอย่างเป็น เป็นพวงไปเลยเมื่อเห็นว่าความหลงไม่ถูกต้องความทุกข์ไม่ถูกต้องความโกรธไม่ถูกต้องกวามเบียดเบียนตนไม่ถูกต้องการเบียดเบียนคนอื่นไม่ถูกต้องเกลดขอดเรื่องนี้ตัดทิ้งใจครั้งเดียวตัดสิ้งใจคราวเดียวเห็นแจ้งคราวเดียวไปกันเป็นพวงไปเลยแหลกไปเลย อกุศลเราทำไม่มีเหลือเลยอย่างนี้มันจึงปฏิบัติได้อย่างนี้ชีวิตเราที่มีรูปมีนามเนี่ยมันมีจริงเหล่านี้เกิดเกิดเกิดรูปกวามนามมันเป็นรูปธรรมมันเป็นนามธรรมมันทําดีมันทําชั่วมันเป็นรูปโลกนามโลกมันเป็นรูปทุกนามทุกมันเป็นรูปสมมุตินามสมมุติมันเป็นบัญญัต มันเป็นวัตถุอาการรูปรับนามธรรมเนี่ยมันเป็นวัตถุมันมีอาการรูปมันมีวัตเป็นวัตถุก็มีอากา ร, ร, รเลยด้วยข้อหนาวต้องมาจองหนาวเพราะมีเหตุปัจจัยสิ่งแวดล้อมเป็นอาการนี่เกิดขึ้นกับรูปเดี๋เรื่องนาม มันก็จาไม่เป็นส่วนรวมเป็นทุกข์หนากายทุกข์ใจก็มีหายใจก็เบียดเบียนกันไปถ้าเราไม่รู้กายเบียดเบียนใจใจเบีเบียนกายเราหิวข้าวเบียดเบียนใจเราใจปวดเบียดเบียนกายไม่อยากกินข้าว โลกกับวงเหงาได้อะไรไมีทุกข์ก็เบียดเบียนกายเวลาใดกายไม่ทุกข์ก็เบียดเบียนใจใจเป็นที่ลองรับหรือเป็นที่ทิ้งขยะที่มันลกลุงลังไม่เห็นขยะอีกกันหนึ่งก็ถังขยะอันหนึ่งที่เป็นทิ้งที่ให้เกิดความจาดหมดจด ความทุกข์ความหมเที่ยงความฉุกไม่เที่ยงความรักความจังหม่เที่ยงแม้มันจะลองเล่าอะไรมันก็มีที่ทิ้งดีกว่าหรือว่าไม่ต้อนรับบอกคืนไม่ค่าไม่มีที่อาศัยอาศัยตรงไหนหรับมามันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้ว ใจความทุกข์มันเที่ยงได้ยังไงใจความทุกข์มันเที่ยงได้ยังไงมาแล้วหายไปไมีแล้วหายไปเกิดดับเกิดดับอย่างนี้เดียวอาการเกิดดับของลูกของน้ำจะไปฟันนำ้ำให้มันเป็นก้อนนั้นเป็นแบบได้สุขของเโลทุกของเโลไปตูอู่ก่ อ, องไม่ เที่ยงมาเป็นตัวเป็นตนเราจึงมาฝึกัดกันให้มันได้คุณได้ค่ากับอย่างเนี้ยมันวิเศษจริงๆด้วยวิวปัสสนาเนี่ยเป็นของวิเศษล่วงพ้นพระเก่าจริงๆเดิ๋มิ ไม่แบ่งป็นเงินได้ต้องทำเอามาฝึกเอาเยกแต่เราไม่ค่ายร่วมกันเป็นเพื่อนกันลงสนามจะแดงออกแต่บรนนักวิ่งนักชกนักอะไรก็หัดแสดงออกนี่เราฝึกจัดติีก็จะแดงเอากายมาจะแดงให้รู้ไม่ใช่คิดรู้ ต้องสมปทไปพร้อมๆกันเปลี่รูปกับการเคลื่อนไหวอุเจ้ายังสอนวิจารณาเห็นกายในกายเป็นประจอมพิจารณาเห็นจิตใ น, ในวิจารณาเห็นเวทนาอยู่เป็นประจอมมันเกิดขึ้นมาก็เห็นเป็นประจอมทุกข้างไม่ได้ไปทำเหมือนเดินกายจักว่ากายเวทนาจักว่าเวทนา จิตก็สักว่าจิตทมก็สักว่าทมออกไปแล้วเฉลยไปแล้วถ้าไม่ได้ตอบกายไมไ่ตอบใจก็เกิดปัญหาข้างข า, งขางหนออข้างแท้ถ้เาเป็นลอยไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นความถูกต้องอจงมาลงสนามกันจริงจงนะ ไห้เหมือนต่อเอาเอากายไปต่อเอาความรู้สึกตัวโดยแสดงออกไห้เหมือนเสร็จไปยกมือเคลื่อนไหววิจารณาเห็นกายหรืออารมณ์หายใจมาอาจให้เป็นนิมิด ท, ที่ก่ออาศัยเพื่อสิติจะได้งอกงามขึ้น งอแงอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้รู้ได้รู้งอแงอยู่กับการเคลื่อนไหวกายอาจจะเป็นการเดินจงกรมอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวมือผู้เฉียนเข้าเหยื่อเฉียนดอกอย่างที่เราได้สอนกันอยู่เนี่ยมันถึงเป็นถึงพิกถึงขิงจริงๆสอนปัดจริงๆ ผู้ปฏิบัติรู้เองตอบได้เองจริงจริงว่ใช่รู้แบบจอมพิกมือขึ้นตั้งไว้รู้จึกตัวเนี่ยแต่รู้จริงจริได้พิกจริงจริงยุกเนก็ยุกจริงๆงหวางลงก็หวางจริงๆคิ่วมลงก็ข่วมจริงจริงวันสับปัดเป็นของจริงอย่างเนี้ไม่ต้องมีคําถามแต้องถามใครตอบได้ทุกคน เวลามันคิดไปกับลู้จริงๆผู้ที่ปฏิบัติกำลังมีสติกับลู้เองเวลานี่ไม่ใช่มาคิดเวลานี่มาให้กำหนดลูกกลับมาตั้งม้่ก็กลับมาได้เราก็กลับมาเป็นเราจะกลับมาเป็นหมนจิตมีบ้านอยู่วันคิดไปมันหนีจากบ้านกลับมาลู่ที่บ้านมันเนี่ย มนอยู่ที่นี่แต่กตีเหมือนเรียกกายเลือกใจกับบ้านมาอยู่บ้านมาอยู่ในปกตินี่มันไปแล้วกลับมาเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่รู้จะกลับกลายเป็นอารมณ์ข้างที่ง้วก็ไหลกับสิ่งนั่นปุ้งแต่งอะไรไปได้ หรือว่าเป็นสมุทัยเป็นสังขารผงแตงไม่รู้จะจบจบสิ้นตกอยู่ในสังขารสังขารคือปุงขยันปุงในสังขารก็เป ม, มีมีวิสังขารหยุ่หยุดปุงก็ได้ได้หยุดปุงก็หยุดไม่ค่อยจะเป็นทีเวลาเราคิดเราหยุดไม่เป็นหรอกถ้าเราไม่ฝึกหัดไว้ ยิ่งไปแม่อยากคิดมันก็ยังคิดใหญ่ไปอีกแต่ต้องมีวิธีฝึอกอย่างฝึกกรรมฐานเนี่ยที่ตั้งของการกระทำเนี่ยเตรียมไว้เตรียมไว้เตรียมพร้อมไว้แล้วจักช่วยกายช่วยใจตัวเองให้อยู่ในความปกติจะให้อะไรมาหอบพิวไปบ่เถื่อนเลยมันก็ไม่ค่อยถูกต้อง เป็นทุกข์เป็นโทษต่อตัวเองต่อกายต่อใจเห็นที่ไหมเมื่อเวอะไรก็เป็นทุกข์เป็นโทษไปได้ทั้งสท้นี่ไหมแต่ทําบาปทํากรรมไรกายใจเนี่ยมาเราตัวสามมุติไถ่ตัวสังขารซึงไม่มีตัวไม่ตน่ะมาห่อพิโผไปไปรับใช้มัน เราใช่ความทุกข์เราใช้ความโกรธเราใช้ความเลืความชังมันมีประโยชน์อะไรกายใจของคนเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อไปรับใช้จรงหรอนั้นมาให้เป็นอิจฉะเนี่ยเราใช่ผิดตําแหนของถูกไม่อยู่เนี่ยทําไมาไปใช่กายผิดประเภททําไมาไปใช่จิตใจผิดประเภทเสียดาย เสด็ต่างผู้ที่ใช่ผิดผูงอิที่ผิดเราไม่ผิดแล้วอยากจะบอกอย่างนี้ในความทุกข์ของท่านเราไม่ทุกข์แล้วในความหลงที่ท่านหลงอยู่นั้นเราไม่หลงแล้วอยากจะบอกอย่างนี้แก้ได้เสียแก้ได้ก็บอกให้แก้อย่างนี้มันก็แก้ไม่เป็นหรอกการบอกให้ทำอย่างนี้บอกไม่ได้ อย่าโกรธเต่เพื่อนเลยไม่โกรธไปได้ต้องว่าไปเลยล่ะคนที่โกรธนามาอยู่หยอกแขนไม่ก็มาอยู่ไม่ไปข้าไปตีกันน้าไม่ได้ต้องทำตามความโกรธจนได้ทำตามความทุกข์กันได้น่าเสียดายกดเราก็ผิดพลาดจากอารมณ์เท่านี้อารมณ์มันไล่กวดเสือ ทำหลายคนมามากแล้วสองเท่าที่ไม่มีอะานลายเป็นอารมณ์เป็นอาการไม่ใช่ใจิตใจบางทีทำแล้วเสียใจก็มีบางคนตนะีลูกแล้วเวลาโกรธไม่รู้จักความเก็บของลูกหรอกจะเห็นรอยไม่เรียวเวลามันหายโกรธแล้วก็เสียใจ ทะเลาะกันแล้วด่ากันแล้ ว, ลวเวลามันหายโกรธก็อายกันเสียใจยแต่ทาไม่เป็นอดไม่ได้ทั้ครั้งเดียวเลยเมอเวลามันโกรธก็ด่ากันจนได้จะแดงออกคนหน้าหน้าบูดหน้าเบิง่งไม่เป็นมีดกับใครก็บางทีผู้ทีู่ก ก็ก็โกรธตอไปอ ก, ก็ลบญญมันใหญ่ยมนจบไม่ได้ไเลยเลยแล้วจึงจะใช่กายใช่ใจอย่างไรตื่นแต่เดึกถิกตตนุมมาฝึกหัดดูให้มันมีคา่าจะได้ใช่กายใช่ใจอย่างถูกต้องให้เกิดมาเกิดผลเนี่ยจะได้ กายคุณภาพของกายที่มันหัดได้ได้ดายคุณภาพของจิตใจที่หัดได้เป็นสัตว์ประเสริฐจริงๆมนุษย์มนุษเราเนี่ยต้าม่หัดก็เป็นสัตว์ที่เร็วร้ายที่สุดมีมีดมีปืนมีอาวุธมีคําพูดที่ทําให้พูดให้เจ็บใจเสียใจไม่เหมือนสัตว์อย่างอื่น จะมีสศาสนาจะมีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอนกายสอนใจเยรียกว่าศาสนาคือคำสอนมาสอนขายสอนใจให้ไม่มีทุกข์โทษกเนี่ยก็คือกรรมฐานศักดิ์สิทธิ์มากสอนได้สอนได้ไดแล้วก็พอจะมีเวลาบ้าง หาเวลาเหลีกวาบ้างฝึกหัดเพื่อจะได้นําไปใช้บ้างไม่ใช่อยู่ที่นี่เออยู่ที่ตัวเรานั่นละ่ะถ้าเราหัดไปใช้เป็นเลยทีเดียวลอดได้พราะเคยหัดจากนี้เวลามันหลงลูกขึ้นมาเนี่ยเวลามันโกรธลูกขึ้นมาเ่ยเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเคยเปลี่ยนอย่างนี้ก็ไปเปลี่ยนอยู่ที่ไหนก็ได้วันนี้ อยู่ที่ทำงานยิ่งทำงาน ย, า ย, ยิ่งดีใหญ่เห็นผัวไปเมียกันยิ่งดีใหญ่ช่วยกันเห็คนหนังโกรดก็ได้ช่วยกันเป็นเป็นเทน่าสงสารคนโกรดเขาหลงจริงๆนะก็ ว, ว่าพูดด่าเราเขาหลงถ้าเขาไม่หลงเขาไม่พูดคำนี้มองเห็นโูดเอะ จะได้หยช่วยกันพยายามช่วยกันก็อย่าไปพูดลอยแม่เราโกรกก็อย่าเพิ่งพูดลองดูอย่าพูดในเวลาโกรกหดหายใจเข้าหายใ จ, ยจออกนับหนึ่งถึงสิบมันก็หายได้มีอุบายหลายอย่าง อนนันมันใช่ไม่ได้มนเนินช้าต้องเตรียมผ่านไปอย่างรีบไปจะได้ไหวมีความพร้อมจิติหัดไว้พร้อมแล้วได้ไหวต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ได้แก้เพี้ยนไปเย็นมันไม่มีเลยทีเดียวแน่มีค่าบ้ากวันหนึ่งเรามาใช่ก่อใช้ใจยอย่างนี้ การเถอะเป็นเพื่อนกันจริงๆนะไม่ได้หวังประโยชน์อะไรจากท่านท่านผิดก็ไม่ได้ผิดกับท่านท่านถูกก็ไม่ได้ถูกกับท่านเราเป็นเพื่อเพียงผู้่อบอกข้อพาทำแ้าท่านถูกก็เป็นคุณภาพของท่านเองท่านไม่ถูกก็เป็นคุณภาพของท่านเองแ้าท่านนเรียกเปลี่ยนก็ไปโทษท่านเอง แล้วบอกว่ายืนหยัดว่ามันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ขเจ้าก็บอกอย่างนี้อันนี้จอสังขารเนยสังขารเกิดขึ้นแล้วสังขารเกิดขึ้นแล้วอุบุดดาวิจัยธรรมเณรอย่าไปยืดอย่าไปยืดวิชิดแต่วันรู้ฉันติเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ เตะสังบูปจำโฉกเมื่อเปลี่ยนสังขารไปวิสังขารจะอยู่เป็นสุขเนี่ยไปบังสกุลคนตายไม่ได้บังสกุลตัวเราแต่มันปุงแล้วเนี่ยอยู่ดีๆมันปุงขึ้นมาเนี่ยมีเช่ายังดีอยู่ตื่นขึ้นมาอย่างดีสอยมามันทําไมมันโกรธกันลากันเพราะมันเห็นตาเห็นหูได้ยิน เออมาปุงกองสังขารมันมชุกสนเลยเจ้าสังขารมันมชุกสนอเก็บนูนเก็บนี่มาปลุงแต่งอยู่ดีๆไม่เอาเหมือนกัะลิงชุกสนนะอะพูดกันฟังอย่างนี้รำลมํ ำ, ำแรงไปได้ยินก็มีไม่ได้ตั้งใจก็มีแล้วไม่เป็นราย แต่เจตนาดีไม่ได้หวังอะไรเลยสมควรใช้เวลากับพระพมกัน